1.25 มักมีองค์8เกิดขึ้นในขณะเดียวกันวงเล็บเปิด14พฤศจิกายน2550ในวงเล็บสองจุดจุดนาที7วงเล็บปิดอริยมักมีองค์8ไม่ใช่ว่าวันนี้ฝึกสัมมาทิฏฐิพรุ่งนี้ฝึกสัมมาสังกัปปะมรืนฝึกสัมมาวาจาไม่ใช่ถ้ามักแยกเป็นส่วนๆเรียกว่ามักมากมักมี1 น, นะมี1เท่านั้นเวลาที่เราศึกษามักในภาคปริยัต ในวงเล็บภาคทฤษฎีเราจะเรียนที่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือเรียนอย่างที่หลวงพ่อกำลังสอนอยู่คือให้เรียนรู้อริยสัจนั่นเองแต่พอถึงขั้นปฏิบัติเราจะเรียนที่สัมมาสติฉะนั้นเรามีสติรู้กายมีสติรู้ใจขณะที่มีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆในขณะนั้นสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้น คือเห็นความจริงของกายของใจในขณะนั้นสัมมาสังกัปปะจะเกิดขึ้นขณะที่เรารู้กายรู้ใจอยู่เราไม่คิดเบียดเบียนใครไม่คิดพยาบาทใครไม่คิดหมกมุ่นในกามสัมมาสังกัปปะเกิดขึ้นเองสัมมาวายามะก็เกิดเองในขณะที่เรามีสติอยู่นั้นจิตที่เป็นอกุศลจะดับทันทีจิตอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะนั้นจิตที่เป็นกุศลก็จะเกิดขึ้นมา ที่เกิดแล้วก็จะเกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเพราะคุ้นเคยที่จะรู้สึกตัวนี่สัมมาวายามะเกิดขึ้นเองสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็จะตามมานะถ้าเรามีสติเสร็จแล้วการที่เรามีสติอยู่รู้สภาวะทั้งหลายอยู่เนี่ยสัมมาส ม, มาธิก็จะเกิดขึ้นคือใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นเอง พอใจตั้งมั่นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาผ่านไปก็จะเกิดปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในกายในใจนี้ตรงที่เข้าใจความจริงนี่ถ้าเข้าใจในลักษณะที่ว่าไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปตรงนี้เป็นพระโสดาบันถ้าเข้าใจได้ว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้นล้ว น, วนหมดความยึดถือกายหมดความยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งเป็นของที่เนื่องด้วยกาย หมดความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะกามและปฏิฆะขาดนี่เป็นภูมิของพระอนาคามีเรารู้ลงมาอีกจนถึงวันหนึ่งเราไม่ยึดถือจิตนะอันนี้สิ้นทุกขกันตรงนี้เองความสิ้นทุกอยู่ตรงที่ว่าหมดความยึดถือจิตสลัดคืนจิตให้โลกธาตุนี้ไปเรียกว่าปฏินิสัคะการสลัดคืนพอเราสลัดคืนไปแล้วเราก็หมดภาระที่จะต้องคอยดูแลรักษาเมื่อก่อนเคยอ่านหนังสือเซน มีคนเขียนสโลกธรรมะแข่งกันท่านชินชาวเขียนว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดกายเหมือนต้นโพจิตเหมือนกระจกเงาใสต้องคอยเช็ดขี้ฝุ่นปิดเครื่องหมายคำพูดไม่อย่างนั้นขี้ฝุ่นจะลงจับกระจกท่านเว่ยหลางก็บอกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดถ้ามันไม่มีกระจกมันก็ไม่มีที่ให้ขี้ฝุ่นจับ ปิดเครื่องหมายคำพูดไม่ต้องไปเช็ดอะไรธรรมะมีหลายระดับนะอย่างพวกเราถ้าไม่เข้าใจเราก็คิดว่าเราต้องคอยรักษาจิตใจของเราเป็นวันๆไปอันนี้คือแบบคอยเช็ดขี้ฝุ่นแต่วันใดปัญญาแจ่มแจ้งแทงตลอดไม่ยึดถือในจิตใจเนี่ยไม่มีที่จะให้ขี้ฝุ่นจับภาระของเราจะไม่มีอีกฉะนั้นการปฏิบัติธรรมมีที่สิ้นสุดส่วนงานในทางโลกไม่มีที่สิ้นสุดหรอก อย่างธรรมมาหากินได้มาวันหนึ่งก็หมดไปฉะนั้นเราต้องศึกษาธรรมะนะ